أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إلَّا ب ِ ك ُ م إلَّا ق َ ل ِ ي ل ا قال إلَّا بِكُمْ إلَّا قَلِيلًا. ل و أنكم كنتم تعلمون. أ َ ف َ ح َ س ب ت ُ م ْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ ع َ ب َ ا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ ع َ ب َ ا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالوا الله الملك الحق ف ت ع ا ل ا الله الملك الحق لا إله إلا هو العرش الكريم لا إله و َ م ن ي د ع م ا ل ل ه ِ إ ل َ ه ا خ ر ل و م ن ي د ع ا ل ل ه ل ه ا ر ه ا و م ن ي د ع م ا ل ل ه ِ ل ه ا خ ر ل ا ه ل ه ا ل ل ه ه ه ا ل ي فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ َ ا ُِ ا ك َ ا ف ِ ر ُ و ن َ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وقل رب فارحم وأن تخير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م ن يهده الله فلا مضل له و م ن يضل ل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا و, ك و ب ك أمسينا و ب ك نحيا و ب ك نموت وإليك النشور أعوذ ب ك ل م ا ت الله ا ل تما ا تمنشر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه ش ي ء في الأرض ولا في السماء، و و س م ي ع العليم. رضيت بالله ر ب ا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء ا ل ك ب ر ر ب ي أعوذ بك من ع ذ ا ب في النار وعذابٍ في القبر. Allahu maafini في بدني وعافيني في سمي وعافيني في بصري سبحان الله وبحمد ี ه عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد ك ل م a ت ه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมัส ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ก่อนอื่นเราขอบคุณอัลลอฮ์สุกุตต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวะตาลาให้ว่าภาษานี้อัลฮัมดุลิลลาฮ์นี่เป็นภาษาที่ท่านนาบีสอนถ้าจะขอบคุณอัลลอฮ์ให้ใช้ภาษานี้แหละดีที่สุดอัลฮัมดุลิลลาฮ์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้ แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาการขอบคุณอัลลอ์ที่เราหลับไปก็ใช้ด ع ا ء อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัพยานะบาดามะอามะตน A เวอีไลฮินูชูรนะครับกลบขอบคุณอัลลอฮ์ดูอาออกจากบ้านออกจากขอพักออกจากที่อยู่อาศัยก็คือบิสมิลลาฮิตวะกัลลอฮฺ ولاحاولولاقوةإلاباللهدعاء คันรถ سبحانالذي صخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و إ إلى ربي نعلم قلوبنا ไม่เฉพาะรถเก่งนะรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานก็ก็ต้องอ่านดุอายบทนี้แหละเมื่อเอารถจอดเสร็จแล้วก็จะเข้ามัสยิด ก็ต้องนึกอีกเราต้องขอบคุณออลลอฮฺด้วยการเอาซุนนะอับบีมากากับชีวิตเข้ามาสัสยิดด้วยเท้าขวาพร้อมกับสาลาวาทุกท่านนาบีแล้วก็อ่านดวอาว่าอัลลมัฟตลีอบบุวบาระห์มติกะเมื่อเข้ามาในมสัสยิดแล้วถ้าคนมีถ้าเขานั่งกันอยู่้รงให้สลามถ้าคนเขานมามารอยู่ ไม่มีใครนั่งเลยก็มาต้องให้ให้สลามให้อ่านดูอ า, ah li, า, านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่าน่านอ่านอ่านามานอ่านอเานอ่านอ่านอยาน่านอ่านอ่านอ่านอ่าองน่านอ่านอ่านอ่านานอ่านอ่านต่วนอ่านอ่านอ่ยนอ่าตอ่านอ่าอานอานอ่านอนอ่่านอานอ่านอนอ่านอนอ่านี้เนอานอานอ่านอ่าอ่านอ่านอ่าอานานอนอนอา่านอาอานออ่านอานอานออ่อ่านอานอ่าานอานนอ่าานาาน่อ่านออ่าน นั่งทบทวนกุรอานที่บ้านของอัลลอ์ก็ให้เราเนียดเราเนีย่ยนั่งอีติกาฟาที่บ้านของอัลลอ์สุบฮานะฮูวัตาลาด้วยเมื่ออีติกาฟเสร็จแล้วนั่งอ่านตะดับบุตรพิจารณากุรอานวันนี้มีหายะจนกว่าตะวันตะวันจะขึ้นพอตะวันขึ้นแล้วประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีให้เรานะมาดสองละอาดหรือสี่ละกาด เรียกว่านามาฎดุงฮาซึ่งชาวบ้านเรียกว่านามาฎอิชรอคอิชรอคแปลว่าตะวันขึ้นนามาฎดุงฮาในเวลาอิชรอคนะครับนมาฎดุงฮาในเวลาอิชรอคลังจากตะวันขึ้นแล้วประมาณสิบห้นาทีนามาสองเราก็อาจหรืสรอสี่าก็อาจก็ได้นามาฎดุงฮามีทั้งหมดแปดระฆังนมาฎได้นดจนกว่าจะเข้าซุฮอรประมาณสิบเอมงคึ่งก่อนนมาฎดุงฮาได้ ก็ทำแมบงี้สิมาที่มัสยิดตอนเช้าเนี่ยสักแปะสักเสียละก็ออยากลับไปบ้านอีกตอนสิบโมงอีกสองละก็อดสิบโมงครึ่งอีกสองละก็อดก็ครบแปะละก็อดผลและบุญเอาเราจัดให้เยอะมากเลยนะครับเอาวันนี้เรามาทบทวนอัลกุรอานนะสุรออัลมุมินูนนะครับอายะที่หนึ่งร้อยสิบสี่ขอทบทวนนะครับอายะหนึ่งร้อย สิบสามนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหยุดพอไปบรรยายที่ไหนนะที่ที่สงขาสามงานนะครับไปสงขาแล้วก็สงขาสองงานแล้วก็ที่พัทลุงที่ปากปล่าไยุนอี ก, อ, กอีกงานหนึ่งก็เป็นสามงานานะครับขอทบทวนอายาที่หนึ่งร้สบสาน ะ, อะกอลกัมละบิสตุม في الأرض عداد سنين قالوا ل ب ث ن ا يوما أو بعض يوم فسأل العادين ดูคำแนะคำลบสุมีทบทวนนะคำลบสุมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามอัลล์ตัต คนที่เข้าสวรรค์ไปแล้วหรือคนที่อยู่ในนรกไปแล้วอลัลลอฮฺถามถามบอกว่าสุเจ้าเนะี่ยอยู่แผ่นดินอยู่โลกใบที่สองนี่ขณะ น, นี้โลกโลกใบนี้อลัลลอฮฺถามเนะี่ยตอนที่คุณอยู่บนโลกดุนยานี่นะ่นะครับนับจํานวนกี่ปีถามว่านับจํานวนกี่ปี ถามคนชาวสวรรค์แล้วก็ถามคนชาวนรกอัลลอฮ์ถามบอกว่าพวกคุณเนี่ยตอนอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุญญานยานานกี่ปีนี่เรื่องจริงทั้งหมดเลยนะอัลลอฮ์เล่าชีวิตของคนในโลกอาคีร่าให้เราฟังก่อนที่เราจะไปถึงโลกใบนั้นนี่เรื่องของพวกเราทั้งหมดนะไม่ใื่เรื่องของเป็ดของไก่ของแพะเลยนะเรื่องของพวกเราพวกของมนุษย์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะอัลลอฮ์าถามบอกว่า คุณใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยกีป่ปีคำตอบก็ูพวกเขาตอบทั้งชาวเนรกและชาวสวรรค์ตอบเหมือนกันและบิสนาย้ามันเราใช้ชีวิตอยู่เพียงหนึ่งวันเห็นไหมหนึ่งวัน2ี่ชั่วโมงเนี่ยนะอยู่มาทั้ง8ปปี70ปีตอบได้ยังไงว่าอยู่หนึ่งวัน นี่ไม่ใช่เรื่องโกหกเรื่องจริงเอาเราเล่าเรื่องของเราเวลาจะตอบอย่างนี้แหละอยู่แค่หนึ่งวันเอาบ่ า, าวดอยเอาหรือครึ่งวันหรือส่วนหนึ่งของวันเอาเราเพิ่งไปยอมรับในวันเกี่ยวมาว่าเราเนี่ยอยู่บนโลกดุนยาเนี่กกี่วันหนึ่งวันหรือครึ่งวันเท่านั้นเอง วันนี้เราต้องนึกนะว่าเราเนี่ยอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่นานนะนี่คือคําตอบของเรานะที่สอนตัวเราเองว่าอย่านึกว่าอยู่แปสิบปีเลยไอ้แปสิบปีนะ่ะเวลาที่เรานับถ้าถ้าไปอยู่ในวันนั่นอยู่ในนรกอยู่ในสวรรค์ก็เหมือนกันมองภาพโลกดุนยาเนี่ยอยู่แค่หนึ่งวันหรือครึ่งวันเท่านั้นเองทีนีน้ถ้าอยู่ครึ่งวันน่ะทําตัวยังไงอ่ะทำตัวยังไง อยู่วันหนึ่งทําตัวยังไงถ้าทําตัวไม่เอาอิสลามมาใช้มาเอากุรอานมาใช้ไม่เอาสุนนะนบีมาใช้ก็ทําตัวตามใจชอบก็ตกนรกไปถ้าอยู่ครึ่งวันเนี่ยทําตัวตามที่อัลลอฮ์สั่งปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติตามมรรบอลปฏิบัติตามสุนนะนบีเนี่ยอัลลอฮ์จะสง่างามแค่ไหนทีนี้บางคนยังสงสัยไอ้อยู่กี่วันแน่ที่ถูก ฟัซอะลิลอาดินฟัลฟัซอะลิลอาดินให้ถามผู้ที่นับไว้เถอะส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้นับว่าอยู่ที่วันกี่วันกี่วันไม่ได้นับยิงอยู่ในกูโบเลยนับไหวอะดุนยาด้วยบวกดุนยาเราบวกชีวิตนอนอยู่ในกุโบเนี่ยเรานับไม่ได้เราอาดินผู้ที่นับก็คือบันดามาลาอิกะ คําว่าอาดีนผู้ที่นับก็คือมาลาอิกาเนี่ยเป็นผู้นับจํานวนว่าเราอยู่บนดุนยากี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วนอนอยู่ในในสุน ส, สานกี่วันกี่เดือนกี่นาทีถามคนเหล่านั้นนะครับอ๋อต้องการจะเตือนนะครับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะความจริงโลกดุนยาแต่พิจารณากันจริงจริงขณะ น, นี้มันก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงหรอกนะประมาณสักสองชั่วโมงเนี่ยอุลมามะเขาแนะนําาไว้นะ แค่2ชั่วโมงบนโลกดุนยาประมาณ80ปีแต่ถ้าคิด 50,000 ปีนาะขินนาทีนิดเดียว 2-3 นาทีเองโลกดุนยาไปนี้นี่คิด 1,000 ปีนะถ้า 1,000 ปีประมาณ2ชั่วโมงเท่ากับ80ปีเอาต่อมากึงวันนี้มาอายาที่ี่1นึ่งรอยอละอิลล์บิสตุมอิลล์กอลีลา l a ว أنّاكم كنتم تعلمون قال إلّا بستم إلّا قليلاً เ أ ن ك م كنتم تعلمون อัลลอฮฺอักบาร์ a ี่ a ัล a อฮฺตัด Allah ่ a หมายถ a งอัลลอฮฺพูดนะค a ا بستم إ ل ا ق ل ي ل ا สูเจ้าถ้าหากสูเจ้าเนี่ยนะอยู่เพียงชั่วเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้นคุณเนี่ยรู้ตัวใช่ไหมว่าสำรวจแล้วว่าอยู่บนดุญญานี่ชั่วเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้นเหลาอันนักุมตาเหลาอันนักุมกุลกุมตาลมุนจะดีเอามากๆเลยนะถ้าสูเจ้าได้รู้วันนี้ใครรู้พวกเรารู้ คนที่อ่านกูอานรู้ไหมรู้คนที่ไม่อ่านละคนไม่อ่านกุูอานคนแอนตี้กูอานคนที่ไม่มีโอกาสได้รู้เลยคนยะฮูดีไม่รู้กาฟิรินมุชริกินไม่รู้เพราะเขาไม่เคยอ่านกูอ่านเขาไม่อ่านกุูอ่านก็เลยไม่รู้เพราะไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยเอาล็อตเตือนตรงนี้เป็นมีมมีความหมายเยอะนะก็หละอิลลับิสตุมอิลลักาลีลา เราอันนาคุมกุนตุมตาลมูนอัลลอฮตรัสว่าสูเจ้าได้อยู่เพียงชั่วเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้นเราอันนาคุมกุนตุมตาลมูนจะดีเอามากๆเลยถ้าสูเจ้าได้รู้ถ้าสูเจ้าได้รู้อธิบายเป็นอย่างนี้เรานี่นะต้องต้องแยกต้องเข้าใจว่าดุนยากับอาคีรอนนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันชีวิตดุนยาเนี่ยสั้น ดุนยาเนี่ยว่าเป็นโลกแห่นโลกชั่วคราวอยู่แล้วมีวันหมดอายุตรงกระใจตรงนี้สองโลกอาคราิลหมดอายุไหมไม่หมดอายุอยู่ไปตลอดเลยคอลดิดีนาฟีฮาอบาบดาเป็นชีวิตที่ยาวที่สุดไม่มีวันหมดอายุและคนที่อยู่ในสวนสวรรค์ก็นุมตลอดไม่มีแก คนที่อยู่ในสวนสวรรค์นี่นะมาตองพายาหมองอยานัดยาอะไรนะยาดมมาตองพาไปพระที่นั่นน่ะคนที่อยู่ในสวน ส, วนสวรรค์เนี่ยสุขภาพแข็งแรงหมดเลยเอารถจัดที่อยู่ให้จัดอาหารให้แล้วก็มีคู่ครองให้จะเอากี่คนก็ได้พายาเราก็อยู่กเราคนอื่นคนที่สองที่สามมาอีกคูรุ่นเอ็นตามมาอีกคูรุ่นเอ็นก็มีจะเอาสามีเอารถจัดให้หมดเลยนะ่ะ แล้วก็เรื่องเพลียก็ไม่มีเรื่องอ่อนเพลียไม่มีเรื่องเป็นหวัดเป็นไข้ไม่มีปวดหัวไม่มีแล้วก็อยู่ในสวนสวรรค์ทานอาหารนี่ไม่ใช่ทานเพราะหิวนะฐานเพราะต้องการจะชิมว่าอาหารชนิดนี้เนะ่ะอร่อยเพรอมีเมนูใหม่ๆทุกวันเลยมามามาพอกินแล้วต้องเข้าห้องน้ำไหมไม่ต้องเข้ามันเป็นเงือ่อพองือออกมาเนี่ยเป็นการถ่ายตัวอัตโนมัติแล้วเงื่อที่ออกมาแทนที่จะเหม็นกลับ ร้อมอีกอัลฮัมดุลเลล่านั่นชีวิตอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาววาตาละอาที น, นี้ถ้าสูญเจ้ารู้ว่าชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยสั้นแค่แค่วันเดียวหรือครึ่งวันเนี่ยถ้าคุณรู้นะคุณก็จะเอาจะเลือกเอาชีวิตในโลกอาคีรอแทนโลกดุนยาถ้า ร, ารู้นี่รู้ยัง ร, รู้แล้วเราก็ต้องปรับปรุงตัวเราเรื่องที่สองถ้าสูญเจ้ารู้ ว่าโลกดุนยานี่มันสั้นเราก็เลือกทำแต่ความดีไม่ทามความชั่วอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่สามถ้าสูญเจ้ารู้ว่าโลกดุญญนยาไนี่เราอยู่แค่วันหนึ่งหรือครึ่งวันสูเจ้าก็จะไม่ทำตัวเป็นคนที่อัลลอฮ์โกรดแต่จะทำตัวเป็นคนที่อัลลอ์รักปฏิบัติตัวตามที่อัลลอ์สัง่งปฏิบัติตัวตามอัลกุรอานปฏิบัติตัวตามสุนนะของท่านนาบีข้อที่สี่ถ้าสูญเจ้า รู้ว่าชีวิตในโลกดุนยาเป็นชีวิตที่สันส้นน่ะทูเจ้าก็จะเลือกชีวิตที่อดทนเหมือนใครเหมือนนบีเหมือนนบีมุฮัมมัดเหมือนนบีมูซาเหมือนนบีอีซาเหมือนนบียูซุฟเลือกชีวิตชชยชีวิตแบบบรรดาบรรดานบีที่มาในโลกทั้งหลายจะไม่เลือกชีวิตแบบฟ า, ราโรเขาจะไม่เลือกชีวิตแบบชีวิตฟาโรแบบชีวิตอะไรนุมรูธแบบชีวิตที่แอนตี้นบีเนี่ย เขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นเขาจะเลือกชีวิต ต, ตามอะไรนะตามอัลลอ์ตา ม, Allah, ตามนาบีตามบรูซุตามอัลกุรอานถ้าท่านทั้งหลายรู้พวกเรารู้แล้ววันนี้ว่าชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยสั้นมากเลยแค่วันหนึ่งหรือครึ่งวันเท่านั้นเองฉะนั้นชีวิตคือครึ่งวันนี่แหละต้องอดทนในการทำความดีนะครับและต้องเรียนศาสนาเยอะๆเออนี่มีข่าววันกันนะด็อกเตอร์สามคน ค่ากันใช่ไหมค่าตัวเองหนึ่งค่าคนอื่นอีกสองเนี่ยแล้วมีควจริงเราได้ข้อคิดเยอะนะมีคนถามถามมาว่าการเรียนวิชาสูงสูงระดับด็อกเตอร์ก็ดีปริญญาโทก็ดีเนะ่ะหลักสูตรเนะี่ยสอนให้เก่งหรือว่าสอนให้ดีเป็นคําถามมากเลยนะครับเนี่ยจะนั่นคําตอบก็คือเรียนหนังสือเนี่ยทุงสูงนี่นะเพื่อต้องการจะให้เราเป็นคนดี หลักสูตรที่คนที่บรรจุหลักสูตรต้องต้องเป็นด้วยนะเรียนแล้วต้องการจะเก่งอย่างเดียวเก่งเก่งแข่งกันอะไรการใครเหยียบใครหยามไม่ได้ใครพูดดูถูกไม่ได้ฉันต้องมันไส้ต้องฆ่าต้องจัดการเรียนได้ยังไงอ่ะแต่ถ้าเรียนอัลกุรอานถ้าเรียนซุนานะนาบีนะเรื่องเหยียดหยามเนี่ยทนได้ไหมได้<ม>เขาด่าทนได้ไหมได้ เขารังแกทนได้ไหมได้เพราะเพรา่ออับบีทํ์ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้นี่ไงหากเรียนหนังสือแล้วเราไม่โยงกับอัลลอ์ใครที่เรียนอะไรก็ตามถ้าไม่โยงกับอัลลอ์จะใช่อารมณ์หมดเลยซาได้นะดอกเตอร์ทั้งสามคนนะพัฒนาประเทศให้เจริญได้ไมยได้ใช้เวลาเรียนกว่าหลายปีฉะนั้นจะเรียนอะไรก็ตามนึกถึงนบีนึกถึงไซนาอุมัด ขรรฟทั้งหมดนี่ครับเป็นคนดีหมดเลยไซนาอุมัดเนี่ยนบีฝันนะผมอ่านนั่งอ่านเมื่อคืนในชีวิตของไซนาอุมัดเนี่ยนบีฝันสองครั้งฝันเห็นไซนาอุมัดเนี่ยใส่เสื้อมีคนถาวว่าตีความว่ยังไงทํานายฝันว่ายังไงนบีบอกว่าไซนาอุมัดมีศาสนามีอัดดินมีศาสนาก็ต่อมามาฝันอีกฝันว่าไซนาอุมัดเนี่ยดื่มนม ล้วก็ทำนายฝันว่าไงนะจะมีความรู้ใส่เสื้อผ้าน่ะนบีตีความว่าหมายถึงาศาสนาอัดดีนดื่มนมทถลงบ่าศาซนาอุ ม, มัดมีอะไรนะมีความรู้ข้ออธิบายบอกว่าคนคนเดียวมีสองอย่างสง่า ง, งามไหมหนึ่งมีความรู้สองมีาศาสนาจะสง่า ง, งามแค่ไหนวันนี้มีความรู้อย่างเดียวจะศาสนาไม่มีไง แล้วเป็นไงครับนี่งทะเลาะกันฆ่ากั น, กนยิงกันแทนที่จะนี่ถ้ามีศาสนากํากับชีวิตด้วยนี่นะเรามีความรู้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นการมีความรู้ถ้าไม่โยงกับอัลละฮ์ทำลายทําลายตัวเองทํำลายสังคมทําลายครอบครัวหมดเลยฉะนั้นวันนี้เรามาถูกทางแล้วนะเราหาความรู้แล้วก็หาศาสนาควบคู่กันนะครับ อต่อมาครับพี่น้อง <c oughs> ตัวลงว่าในฮะดิษอธิบายอย่างนี้นะครับน บ, บีบอกว่าเมื่ออัลลอ์ให้ชาวสวรรค์เข้าสวรรค์แล้วม่อให้ชาวนรกลงนรกแล้วอัลลอ์ก็จะถามชาวสวรรค์บอกว่ากัมลบิสตุมฟิลออดาดนินคอยู่ในนรกน่ยคนอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยนานกี่วันนานกี่ปี คำตอบก็คืออยู่แพ๊บเดียวอยู่แค่หนึ่งวันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเลือกชีวิตอยู่บนดุงยานี้มันต้องมีสองอย่างนะมีศาสนากับมีอะไรนะมีความรู้เพราะอัลลอฮ์ยกย่องนะยะฟาอุลลอฮูลลาดีนะอามานูอัลลอฮ์ยกย่องคนที่มีศาสนาก่อนหน้ามีอิมานมีอิมานมีตักวามียักตีมีอิยาซามีอิคลาสแล้วก็มีสุนัขนบีกำกับชีวิตอยู่ แล้วก็มีความรู้สามัญมีความรู้คอมพิวเตอร์มีความรู้เรื่องดาวเทียมก็มีเป็นสิความรู้เรื่องดุนยามีทั้งหมดและมีปัญหาแต่ต้องมีอีหม่ากํากับชีวิตมีตะกรากํากับชีวิตมีเอกสานกํากับชีวิตมียตียนกากับชีวิตมีอัคราของท่านนาบีกํากับชีวิตอยู่บนดุนยานี้เป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่อยู่บนโลกดุนยาไปนี้เลยต่อมาอครับอายาที่หนึ่งร้อยสิบห้าจ๊ะพี่น้อง อยานี้ตองการจะอธิบายว่าอัลลอฮ์สร้างคนมาทําไมเนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่มัสยิดวันนี้เป็นไรไหมวันนี้ยเยอะนะอถามว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาทําไมเคยถามตัวเองไหมว่าอัลลอฮ์สร้างฉันมาทําไมเอาคําตอบครับอัฟาฮัสิบตุมอันนามะฮัลลกรนาคุมอาบัสะ وأنّكُم إلَيَنَا لا تُرجَعُونَ أَفَحَسِبَتُمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَادَ وَأَنّكُمْ إ ل َ ي ن َ ا لا تُرجَعُونَ الله أكبر นี่ Allah ตั้งเป็นประเด็นเป็นเป็นคำถามเอาไว้นะ คาเซต์ปะตูมไปว่าคิดทันทั้งหลายคิดอ้าอ้าเป็นคําถามอาฟัฟาคาเซต์ปะตูมสูรเจ้าคิดหรืออันนามาขอลักหน้ากุมขอลักหน้ากุมแปลว่าเราได้สร้างสูรเจ้าอาบาซาอาบาซันแปลว่าเล่นเล่นเนีย่ยเราถามนะคนที่อ่านกุณอ่านบอกกับนบีบอมูฮัมหมัดเอ๋ยและคนที่อ่านกุณอ่านทุกคนทั่วโลก สู่เจ้าคิดหรือว่าเราอัลลอฮ์ได้สร้างสูเจ้ามาเล่นเล่นคำว่าเล่นเล่นเนี่ยตั้งแตอธิบายอย่างนี้ก็พี่น้องโดยไรความมุ่งหมายไรเป้าหมายไม่มีเป้าหมายสร้างมาเล่นเล่นไม่มีเป้าหมายกันนั้นหรือพี่น้องนี่น่ะเป็นเป็คำถามวันนี้เราเองผมก็เราสร้างอะไรมาสักอย่างหนึ่งมันมีเป้าหมายหมดเลยนะ เอาสร้างมวกมามีเป้าหมายสร้างนาฬิกามามีเป้าหมายสร้างโทรศัพท์มามีเป้าหมายสร้างบ้านมีเป้าหมายมีเป้าหมายหมดแล้วก็สร้างอะไรบ้างที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีเลยทุกอย่างมีเป้าหมายหมดเลยรวมไปถึงมนุษย์ที่อัลลอ์สร้างมาอัลลอ์ถามว่าฉันสร้างท่านทั้งหลายมาเป็นคนเนี่ยไม่มีเป้าหมายหรือสร้างมาเล่นๆกันนั่นหรือนึกว่าจะคิดอะไรทาอะไรตามใจชอบกันนั้นหรือนี่เป็นคาถามครับ เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างคนมามีเป้าหมายเอา้าเป้าหมายคืออะไรครับหัวหมาขอรักตุลยินนะวันอินซะอินละลียาบูดูนแท้จริงเราไม่ได้สร้างยินเอวยินก่อนนะเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดเป้าหมายที่แท้จริงก็คือลียาบูดูนเพื่อให้ยินและมนุษย์เนี่ยทําอะไรครับ พักดีต่ออัลลอฮ์แสดงตัวเป็นเบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานาววาต้าเลานี่เป้าหมายอยู่แล้วคือเชื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ให้หมดนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาแล้วเราถามอีกว่าอนณากุมอีเลนาละตูรยานและสูขเจ้าจะไม่ถูกนํากลับตูรยาอุนแปลว่าถูกนํากลับนํากลับตอนไหนรู้ไหมตอนตายแล้วก็ฟืน้น าถามพวกเราว่าเ้าเนี่ยมนุษย์เนี่ยตายกี่ครั้งแล้วก็เกิดกี่ครั้งบมื่อ่านถามแล้วถามคนกลุ่มหนึ่งนั่งกันเยอะบอกว่าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวถูกหรือผิด <Bliss> ถูกหรือผิดผิดมนุษย์เนี่ยเกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งนี่คือคำตอบคนที่อ่านคนุงอ่นานรู้หมดแต่คนที่ไม่อ่านคุงอ่านไม่รู้ <S <S มนุษย์เนี่ยเกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้ง เราเนี่ยนะเกิดครั้งแรกตายนะ่ยผ่านมาแล้วผ่านตอนไหนนะตอนที่เราอยู่เป็นดินเป็นน้ําอสุจิอยู่ในท้องมารดานั่นเรียกว่าตายนะนี่เกิดขึ้นมาบนโลกดุงยาไป น, นี่คลอดออมาจากท้องม่เรานะ่ะเรียกว่าเราเกิดครั้งแรกเดี๋ยวอยู่ไปอยู่ไปพออายุแปดสิบหรือเจ็ดสิบแล้วก็ตายนี่ตายครั้งที่สอง แล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอรรถถาว่าลาตุญูนมีไงท่านทั้งหลายจะไม่ถูกนํากลับไปอย่างเราหรือเราจะต้องฟื้นอีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่าฟื้นครั้งที่สองแล้วก็กลับไปยืนอยู่ต่อหน้าพระภาภาของอรรถสุภานาหั ว, วตาละตกลงมนุษย์ตายกี่ครั้งนะตายสองครั้งแล้วก็เกิดกี่ครั้งเกิดก็สองครั้งอย่าตีความว่าอย่าพูดว่าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวไม่ใช่นั่นคนกาเฟ พูดอย่างงั้นแต่มุสลิมผู้ศรัทธาต่อเลาะคนที่อ่านคุรานต้องเข้าใจว่าเรานี่ตายสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งนะครับอัลลอ า, ลานนะนเนี่ยอัฟราคาซฟตุ่มคุณคิดว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดมาเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเล่นๆกั น, น้นหรือไม่ไม่ใช่มีเป้าหมายหรือไม่ใช่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในตับซีอิมุกซีตอธิบายบอกว่า อาฟซอนนันตุมอันนากุมมัคลูกูนอซนพวกท่านทั้งหลายคิดว่าพวกท่านถูกสร้างมาเล่นๆเวลาข้อเส้นโดยไม่มีเป้าหมายเวลาอิรอดาโดยไม่มีเป้าประสงค์อ๋อไม่ใช่มีครับมีเป้าประสงค์อย่างแน่นอนมีเป้าหมายอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่สร้างมาเพื่อเล่นๆแบบไรนะแบบสัตว์อธิบายต่ออีกนะกัลบาฮาอิม อัลลอฮ์สร้างสัตว์มาเนี่ยเราเนี่ยจะถูกสร้างมาแบบสัตว์ไม่ได้เพราะสัตว์ไม่มีรางวัลสัตว์ไม่มีการลงโทษสัตว์ไม่มีสวนสวรรค์ตอบแทนให้แต่มนุษย์มีรางวัลตอบแทนเพราะท่านสร้างแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับไม่เหมือนสัตว์นะแต่วันนี้เราทําตัวเหมือนเหมือนไรนะเหมือนสัตว์พูดอย่างนี้มันก็แย่เป็นเ่องว่าโอ้ดูมพูดหยาบน่าดูเลย นี่ผมอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผู้หญิงที่แต่งตัวยาวๆในวันนี้กันนะวันแต่งงานใช่ไหมลายากลากยาวเป็นยังไง น, นนะลายศอกเนี่ยนะท้าววันลากยาวทำไมเหมือนใครแต่งตัวเหมือนนกยุง อ, าอา้าวอัลลอฮฺสร้างมานะเป็นคนที่มีเป้าหมายดันเอานกยุงมาเป็นแบบในการ ในการแต่งตัวอัสตัฟุรุลอเห็นยังครับถ้าไม่อ่านคู่้นอ่านอย่างเดียวเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับแอนิเมอลเลยนะอัลลอฮฺนะอสุสบิลลาฮิมิซาริกแต่งตัวเหมือนนกยุงเลยอย่างหนึง่งวันนี้มันจะนิก่ากันอยู่อะไรเหมือนแมวฮะที่บ้านผมมีแมวแตที่บ้านมีหลายตัวมันนิก่ากันทุกคืนเปลี่ยนคู่อยู่เรื่อยเราไม่ใช่แบบสัตว์นะเราต้องมีสุนนัขนะบีแต่วันนี้ ยัฮูดีมันพยายามที่จะสอนเราให้เอ็งเรียนแบบสัตว์นะแบบนกยุงนะแบบแมวนะแบบสุนัขนะน่าคิดน่าคิดมากเลยนะฉะนั้นเราเนี่มีเป้าหมายสำหรั บ, บชีวิตมีอิสลามมีคุรานมีสุนัขนบีนะครับกำกับชีวิตเราตลอดเวลานะครับอัฟฮาซิบบตุมอันนามาขอลักนากุมอบัสะอัลล์ถามนะ สูเจ้าทั้งหลายคิดว่าเราเนี่ยสร้างท่านทั้งหลายมาเล่นๆกันนั้นหรือว่าอานาจักรอีเลนาละตัรยานและสูเจ้าจะไม่ถูกนำกลับมาอย่างเรากันนั่นหรืออัลลอฮฺอักบารนี่ไงเป็นคำถามคำถามหาคำตอบได้ไหมได้วันนี้เรามีเป้าหมายสำหรับชีวิตเราอยู่เนี่ยตามอัลลอ์ตา ม, Allah, ตามรซูนตามสุนังนบีนี่ถ้าตามใจยยปนญญเตืนอนยัง ยังไม่ตื่นนะตื่นเจ็ดแปดมงนี่แหละยิงวันอาทิตย์นี่โอ้โหงานหยุดเห็นไหมแต่เรามีเป้าหมายสําหรับชีวิตเห็นไหมนักเรียนทุกคนตื่นหมดทำอยู่เลยละแต่ที่คนจะตื่นตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งได้นี่มันต้องนอนแต่หัวค่ําตามใครตามนาบีไม่ใช่ตามนกนะครับตามนาบีนบีนอนแต่หัวค่ําแล้วก็นบีสอนให้นอนแต่หัวค่ํา คนที่นอนแต่หัวค่ําเนี่ยนะใบหน้าสดชื่นอายุเยอะแล้วมองดูไม่แก่อย่าเรื่องนะนอนแต่หัวค่ําเนี่ยนะถ้าทาให้ใบหน้าเนี่ยสดชื่นสงางามถ้านอนตอนตีหนึ่งตีสองดูละครจบก่อดดูนูน่นดูนี่ชีวิตไม่มีบรรยากาศเราตื่นเจ็ดแปดโมงเลยขาดงานเต็มไหมดเลยซูโบก็ขายกูอ่านก็ไม่ได้อ่านขาดทุนหมดเอาต่อมาครับอายาที่หนึ่งร้อยสิบหก فتعال ى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعال ى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب ุ l عرش الكريم ال الله أكبر ข้อควานี้ต้องการจะบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะโลกใบนี้ทั้งหมดอัลลอฮ์รับผิดชอบแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดสัญญาของอัลลอฮ์ก็เป็นเรื่องจริง การลงโทษเป็นเรื่องจริงให้รางวัลตอบแทนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอัลลอฮฺามาจะสร้างอะไรมาเล่นๆเลยมีเป้าหมายสำหรับชีวิตทั้งหมดนะครับดูคำไปนะฟาตาลาลอตาลาแปลว่าสูงสง่งอัลลเนี่ยมีสิฟงตร์อะไรสูงส่งยิ่งสูงิ่งอา้าวอัลลอฮอยู่ที่ไหนมีคนตำหนิมา พวกนี้ไม่รู้เรื่องว่าอัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าอยู่บนบัลลังพูดพิษที่ถูกต้อ you, นตอนร้อย everywhere อัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งผมถูกด่าแล้ว <c oughs> ลงเฟซมาโอ้นี่มีความรู้ขนาดไหนแปลว่าอัลลอฮ์อยู่บนชน you, บนบนั้นฝา อ, อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังเพียงเท่านี้นี่กุรานนะอัลลอฮ์เนี่ยอยู่บนบัลลังของอัลลอฮ์นี่คือกุรานไม่ใช่ความคิดของมนุษย์ บาลังอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนบาลังนี่นะเปรียบเสมือนหลังคาของโลกทั้งหมดเลยชั้นฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเจ็ดเจ็ดห่วงนะหนึ่งห่วงห่วงที่สองห่วงที่สามห่วงที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเพราะที่แปดเนี่ยเป็นน้ําน้ำห่อโลกทั้งหมดหลังจากที่แปดบัลังอัลลอฮ์ سبحانه และุทธา บัลลังก์อัลลอห์นี่น่ยใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าโลกใบนี้อัลลอ์ยิ่งใหญ่มากไปน้องอ่านกุรอ่านดีๆอย่าเอาความคิดของมนุษย์มาเจอะเจอะปนอัลล์สั่งอัลลอฮ์พูดในคัมภีร์ุองอ่านว่าอัลลอ์นี่อยู่บนบัลลังก์ของอัลลอ์บัลลังก์ก็คืออารัชบัลลังก์ในภาษาอูรดูนะแปลว่าเตียงปลังเตียงนอนทวัราก็เรียกว่าปลังแต่พอเอามาใช้เป็นภาษาไทยบัลลังก์แปว่ามันยิ่งใหญ่ ภาษาอุลู ו แปลว่าอะไรนะแปลว่าเตียงนอนเตียงลูกลูเราก็ถือว่พลังเหมือนกันอันนี้ก็พลังพลังพลังทั้งหมดใช่ไพอเป็นภาษาสารสกิดภาษาอุดูโอ้โหกลายเป็นภาษาที่สาคัญถ้าภาษาก็พูดกธรรมดาในเมืองขึ้นแหละในกาลกตาในบอมเบยในอินเดียเอาต่อมาครับฟตอลลอฮ์อัลล์มีสิฟผู้ทรงยิ่งใหญ่นะอัลมาลิกเป็นอะไรเป็นพระเจ้า อาผู้เป็นผู้ปกครองมีอำนาจคุ้มแต่เพียงผู้เดียวที่สองอัลฮักกุเป็นจริงทั้งหมดของที่อัลลอฮ์บริหารจัดการจริงทั้งหมดที่อัลลอฮ์เล่าน่ยจริงั้่หมดมาเลก้าบุชันฟ้าจริงไหมจริงครับชันฟ้ามีเจ็ดชั้นจริงไหมจริงครับพอชั้นที่แปดมีน้ำห่อหุ้มจริงไหมจริงครับบัลล่างบูชันชั้นชั้นชั้นที่เก้าจริงไหมจริงครับเป็นเรื่องจริงทั้งหมดของที่อัลลอฮ์เล่านะครับ لا إله إلا الله ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอ์นี่อัลล์ประกาศเองเนะไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การเคารพพักดีนอกจาก AH อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นวันนี้คนยอมรับอัลลอ์มีประมาณเท่าไหร่สองพันล้านได้ไหมน่าจะสองพันล้านสองพันห้าเอาคิดเยอะๆไปหน่อยได้ อ, อีกตั้งสามสี่พันล้านยังไม่รุ้จักอัลลอ์นะ มุสลิมที่รู้จักอัลลอฮ์ยังทำชีริกมีไหมยังไปหาตัวตะเกียรอยู่ยังหาโตัวระยองอยู่ยังไปหาผูกอัลซิบงอซิมัตเต็มไปหมดแสดงว่าอัลลอฮ์ด้วยสิ่งอื่นก็ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับอัลลอฮ์อยู่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคนที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์สูงส่งยิ่งอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเป็นผู้ปกครองเรื่องใบนี้แต่เป็นผู้เดียวนะครับ ที่เรานั่งกันในวันนี้เนี่ยด้วยความบังเอิญหรือเป็นภาพป ร, ระสงค์ของอัลลอฮ์อัลล์กำหนดใช่ไหมอัลลอฮ์กำหนดไม่ใช่มาด้วยความบังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกดวงจนทรนี้อัลลอ์กำหนดทั้งหมดนะครับต่อมาครับเลียลลอฮิลลาห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากนอกจากอัลลอฮ์รบบุญอัลิลการีมรบบแปลว่าผู้อภิบาลอภิบาลแปลว่าดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่นะครับ อัลอาชิลอาดิมอัปว่าบาลังอัลกะริมแปว่าทรงเกียรติอัลลอฮ์เป็นผู้อภิบาลแห่งบาลังอันทรงเกียรติผมอ่านทับซียอิบนะกะเซดเป็นต้องครับบาลังเนี่ยอยู่เป็นซักฟุลเป็นหลังคาเป็นหลังคาจักรวาลนี่เลยสูงสุดนะครับลบเป็นเป็นหลังคาแล้วก็กะริมเนี่นะ บาลังอัลลอฮ์นี่นะสวยมากมังซ์ตว่าภาพนี่นะจมีนฮุสนุสวยมากบาฮีอยู่ชักเล่จกจัดสวยมากบลังอัลลอ์เนี่ยแค่เห็นบาลังอย่างเดียวนลืมทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนี่บาลังอัลลอ์นะสวยขนาดไหนฮามดูลิลาดูสิอัลลอ์สร้างคนมาเนี่ยสวยขนาดนี้นะแลวตัวอัลล์เองจะไม่สวยขนาดไหน นเมื่อสร้างมาี่ยังสวยขนาดนี้แล้วก็จากพระอัลลอฮ์นี่จะขนาดไหนอัลลอฮฺอับเพราะฉะนั้นตัริทธา์อธิบายดีนะรับบุญอารุชิลมาซิมบัลังของอัลลอ์นั้นอะไรนะม่านรดเป็นภาพที่เ้สุนสวยงามบะฮียุนแปลว่าเจนจัดัดสวยมากบิวตี้ฟูลสวยจริงๆยังไม่พออีกครับในภาษาอุดดูอ่านหลาหลายหลายหลายหลายภาษานะ อาละศ์ค uh, uh ือส all ิ mat, all mat, all ่งศกดิ ir, ์สิทธิ ah e ์ายันฟรมาเอวะฮะเซรัฮ์ัรอกตเกนูซูลฮตาฮลักะิฟไอบลอัลล์นี่นะบากัตอกมาาบลอัลล์รัฮ์มัดอัลจบลอัลล์มร์มีปะทานกพวกเราวันนี้ความเริญที่เราขอุร์อ่านคุตบานนรน่ะบระกัลลอฮูละกวะบระกัลอาไลกะวาจะมาไอ้ใบนะกมฟคอยขอให้จ้เบาเจ้าสใช่ ขอบรกัาตจากอัลลอฮฺบรักกาตมาจากไหนมันจะมาจากอเมริกามันจะมาจากจีนมาจากไรมาจากบัลหลังของอัลลอฮฺสุบฮานะบูตะละเนี่ย้าเราอิมานเพิ่มขึ้นเยอะเลยความสุขความสบายความสุขความสบายความจำเริญของดีๆทั้งหมดที่เราได้รับที่มนุษย์ได้รับเนี่ยมาจากไหนนะมาจากบัลหลังของอัลลอฮฺสุบฮานะบูตะละมีอุลามะอัลยุตับเซ่ภาษาอุดูเขาถาว่า พวท่านเคยนึกเปล่าตอนมีลูกแต่งานแล้มีลูกนึกบ้างเปล่าเนี่ยลูกเราต้องมีตาสองข้างใช่ไหมเรามีหูสองใบใช่ไหมมีจมูกสองรูมีมือห้านี่นึกบง้บงหรือเปล่งที่ขัางออลลอฮฺเนี่ยมีมือให้เราหรือเปล่าหรือมือมือหมดถ้ามือหมดมือไม่มีอ่ะมีลูกมหนึ่งในแขนอย่างเดียวต้องมึก ยาลอคนอัลลอฮ์ฉันลูกฉันมีมือห้านิ้วสิบนิ้วนะมีหูทั้งสองข้างมีตาทั้งสองมีรูจมูกมีผมเหมือนคนธรรมดาที่อัลลอฮ์สร้างถ้ามาเกิดหมดครั้งทำไงอ่ะแสดงว่าครั้งทีอัลลอฮ์ยุบไหมไม่ยุบมนุษย์จะมีเท่าไหร่บนโลกนี้ครั้ของอัลลอฮ์ไม่ยุบความเมตตาของอัลลอฮ์ก็ไม่ยุบเหมือนกันให้เท่าไหร่ก็ไม่ยุบอัลลอฮ์อัลบัดเนี่ยนะต้องอ إ ي م านแบบนี้นะครับเชื่อแบบนี้เลยอัตโนมัติ ว, ว่า อารักษ์ของอลลอนี่นะยิ่งใหญ่นะครับอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังของอัลลอฮ์นะนี่มันจะคิดเองนะอัลลอฮ์อธิบายไว้ในกัีุอ่านนะแล้วก็บัลลังี่สวยไหมโอ้โห oh สวยมากเลยแจมกระจัดสวยงานภาพสวยมากแล้วก็บนะัลลังอัลลอ์นั้นความเมตตาความเจริญถูกประทานลงมาจากบัลลังของอัลลอ์ุบฮานูวาตาลนะครับอัลฮัมด ba ุลิลลาห์บรกตาะ์นะครับถูกประทานลงมาจากบัลลังอัลล์ ประมาณหนึ tamam, ่งร้อยสิบเจ็ดนะัี่น้องวาไม่อาจกล่าวมาอัลลอฮิอิลลัฮันอัลลอฮ์ลา برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون a h ل ه k ك ب ทุกอาญาณมีความหมายหมดเลยนะว่าไม่จะเดอัลลอฮิอิลฮันอัครลาบรฮานเลวบิฟ a i n n มา حساب หูอินดารับบิอินนูลาญุฟลิห์ลคาฟิรุ อัลลอฮฺอักบารอัลฮะมดุลิลลาฮฺขอบคุณอนะัลลอฮฺในที่พัฒนาของนรามาบุคคลแปลครับมันแปลวา่าผู้ใดยะด า, ดาวแปลว่าวิงวอนหรือขอมาอัลลอฮพร้อมกับอัลลอฮหรือร่วมกับอัลลอฮอิลาฮันแปว่าพระเจ้าอื่นๆพระเจ้า ย, อ ย, ย, อย่อยๆอัคต์อื่น และผู้ใดวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าอื่นๆร่วมกับอัลลอฮ์ถ้าใครไปขอพระเจ้าอื่นๆคิดว่าพระเจ้าอื่นๆนั้นมีอำนาจเท่าอัลลอฮ์หรือมีอำนาจเหมือนอัลลอฮ์สามารถที่จะบรรดาลให้คนตายให้คนเป็นสามารถให้ฝนตกสามารถให้แดดออกพระเจ้าอื่นเนี่ยนะอัลลอฮ์พี่น้องครับ คนที่ไปขอจากสิ่งอื่นจากพระเจ้าอื่นๆ น, นึกว่าพระเจ้าอื่นนั้นมีอำนาจเท่าอัลลอ์ะนะพิษหมดเลยเขาใจพิษดูคุณอ่านลาบุรฮานาละลลหูบิฮีซึ่งเขาไม่มีหลักฐานพิสูจน์ในข้อนั้นไม่มีหลักฐานรองรองรับเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนนะช่วยได้ ไม่มีหลักฐานไม่มีสิ่งอะไรนะข้อพิสูจน์ใดๆทั้งสิ้นเลยทำแล้วนะฟรีทาแล้วเหนื่อยฟรีขอแล้วขอฟรีแล้วขอผิดอลัลลอยังโกรธอีกมันไส้อีกเอ็มขอทำไมเห็นไหมพี่น้องแค่นั้นอย่าไปขอสิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอตเตเกียไปขอตเตเกียขอให้อลัลลอโตเตเกียให้ลูกได้ไหมไม่ได้บาป ไปขอเจ้โต๊ะระยองกับบา พ, พี่น้องเราที่อยู่ทางที่ลงเรือเนี่นะมีผ้าห้าหกสีเจดสีเข้าใจว่าผ้านี้ช่วยไม่ให้ลมพายุมาปกป้องโรคภัยไข้เจ็บปกป้องภัยอันตรายคิดทั้งหมดอัลลอฮฺไม่พอใจนี่เอาอาซิบัดมาแขวนที่มือคิดว่าไอ้ช่วยหนะ้าช่วยอะไรได้สมัยก่อนนี่แ น, น, นี่เลิก ม, มาแล้วนะปู่บ้านตัวมีผ้าเขียวผ้าแดงที่หัวจัวตัวนี้เลิก ม, มาแล้วไม่ทำได้แล้ว เพราะอาศัยจากการอบรมการบอกการเตือนกันชิริกทั้งหมดทีนี้บาปอย่างอื่นเนี่ยอัลลอ์อภัยโทษให้แต่บาปชิริกเนี่ยอัลลอ์ไม่อภัยโทษให้นะคุณอ่านตรงไหนครับอินนัลลอฮะลายักฟิรูอัยยูชรกะบิฮีอัลลอ์ไม่อภัยโทษให้คนที่ทำชิริกต่ออัลลอ์ยัฟิรมาดนาิกลิมายชแต่อัลลอฮ์จะอาภัยาโทษในความผิดอื่นๆแต่ชิริกเนี่ยอัลลอ์ไม่อภัยโทษให้นะอัลลอ์เล่นงาน แล้วก็ลงโทษหมดเลยนะทีนี้ผู้ใดวิงวอนไหวไมอยากะเอ AH ah ามาเอาหลอฮีเลันอาค่ะแต่ผู้ใดวิงวอนขอต่อพระเจ้าอื่นๆร่วมกับอัลลอฮ์เคียงคู่กับอัลลอฮ์โดยคิดว่ามีอำนาจเท่าเทียมอัลลอฮ์ลาบุรฮนานาเลหูบิฮีซึ่งเขาไม่มีหลักฐานพิสูจน์ในข้อนั้น คุณไปหาหลักฐานอะไรมาก็หาหลักฐานไม่ได้นะครับเราต่วันเกียรมากก็ช่วยไม่ได้ด้วยถ้าสซนามิมาก็เรียบร้อยไม่เห็นเลยตอสเนามิมานี่ยใครช่วยได้ผมพบกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่หาดใหญ่ก็เล่าบอกว่าที่ที่อำเภออะไรเนี่ยเซนามิมาเน่ยบ้านพังหมดเลยมีมัสยิดแล้วก็คนอยู่วนนั้นหลายคนรับพิสลามหมดเลยอ่ะโอ้ยห็นไหมเพื่น้อง ฉคนั้นอัลลออาล่าเนี่ยนะบูดูแลเฉพาะคนที่มีอม م า ن ต่ออัลลอฮเท่านั้นถ้าอยู่ในบ้านก็บูในมัสยิดนะปลอดภัยหมดเลยนะครับเอาต่อมาครับวรรคที่สอง <ت ص في ق> สองินนะมาไฮซาบูบบบฮฺอินดารอบดิไฮซาบเนี่ยแปลว่าอะไรบัญชีบัญชีของคนบัญชีทุกคนเนี่ยทุกคนมีมีบัญชีเปล่า ทุกคนมีบัญชีหมดเลยนะคนบากก้าก็มีบัญชีอมืมุสลิมทุกคนมีบัญชีหมดคนที่เกิดมาบนโลกนี้เท่าไรก็ตามมีบัญชีหมดเลยเรียกว่านะาฮิซาบแต่นี่ฮิซ่าบเราเนะี่ยบัญชีเราเนะี่ยอยู่ที่ไหนใครเป็นคนเก็บอ่าดูคําตอบอินดารอบบีอยู่ที่พระผู้อาภิบาลของเขา ใครเก็บบัญชีอัลลอฮ์เก็บบัญชีเอาไว้ทีนี้ในาทัฟซิดอธิบายอีกนะว่าบัญชีของของของเราอยู่ที่อัลลอฮ์นะถูกเก็บไว้ในสี่แหล่งแล้วเหมือนกันหมดเลยในสี่แหล่งนี้เหมือนกันหมดเลยนะสี่แหล่งครับแหล่งที่หนึ่ง e a แผ่นดินนี่คุณอ่านตรงไหนครับยาวมาอีดินตูฮัดดิสุอัลบารฮ์ในวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะให้แผ่นดินนี่เล่าเรื่องของเรา ปัปัปัปัปัปับับอาบดินพูดเนะี่ยอ่ะเรียบร้อยแรมที่สองอยู่ที่มาลายิกะแรมที่สามอยู่ที่เท้ากับอยู่ในมือนี่บัญชีน่ะบัญชีของเรางานที่เราทำทำอยู่วันนี้ถูกบันทึกแรมที่สามอยู่ที่มือกับเท้าในวันเกียมาอาลัลลอฮ์ว่างไงนะอัลยามานัชติมุฮัลาอัฟบูฮิฮิมอัลลอฮ์ให้ปากปิด วัตถุกัณ ล, ลิโมนาไอดีหิมให้มือพูดวัตถชาดูอาจูลูหุมให้เท้าเป็นพยานอ่ะพังมาก <c oughs> นี่แรงที่สามอยู่ที่มือของเราเองและอยู่ที่เท้าเราแรงที่สี่ก็คืออยู่ในบันทึกของมะละอิกะมเห็นไหงครับ4ี่แรงฉะนั้นบัญชีของเรามีอย่านึกว่าบัญชีไม่มีและบัญชีวันนี้ใครเก็บ อัลลอ์รักษาไว้แต่เพียงผู้เดียวหายไม่หายไปไหนเลยอัลลอ์เล่าได้ว่าบัญชีทั้งหมดน่ยมันจะเล่าให้เราฟังเองในวันเกียมาแต่นี่ถ้ามีบัญชีชั่วช่วยบัญชีซินาบัญชีลักรองเท้าหน้ามัสยิดบัญชีหนีโรงเรียนบัญชีด่าพ่อแม่บัญชีลักตังตามกระเป๋าเพื่อนๆบางกระทำกระทแต่บัญชีชั่วหมดเลยใช่ไหมจะทำไงจะแก้บัญชีชั่ว ตาบ้าตัวต่อเราอ่าไม่อยู่มีวิธีแก่ไหมเวลาแก้น่ะออกจากสีสีสีบัญชีเลยนะต้องตาบ้าตัวตัอเราอาคนที่ไม่เคยนมาดบัญชีช่วมยไมมาได้ถือสินอดบัญชีชั่วยฉะนั้นบัญชีชั่วถ้ามีอยู่เป็นบัญชีที่ไม่ดีทำงานจะลดบัญชีช่วต้องเตาบ้าตัวต่อเราเตาบ้าก็ทำสามอย่างนะเหน่งแตว่าไงนะอัสลามุขุลลอฮฺฉันเสียใจนะอัลลอฮฺจ่ ถอนตัวออกจากความชั่วแล้วก็ไม่กลับไปทำความชั่วเหมือนเดิมนั่นเราก็เรียกว่าถอนตัวถ้าทําอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ทําให้ครบสามรายการไม่เรียกว่าเตาบ้าเตาบ้าต้องอัลลอฮ์ต้องเปลเี่ยนแปลงตัวเองข้อที่สีก็ต้องต้องอยู่กับกลุ่มคนดีอยู่กับอุลามะเยอะๆนะครับเอาตัวรวมว่าบัญชีของคนมีไหมมีครับอยู่ที่ไหนครับอินดารอ บ, บิกที่เป็นคําตอบหมดเลยนะบัญชีอลัลลอฮ์เก็บเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว อินน ahu ล a y u f l e h u l kafehun แท้จริงวรนะพวกปฏิเสธกาเฟชเนี่ยพวกปฏิเสธพวกปฏิเสธเป็นไงครับล a y u f l e h u l แปวลว่านะไม่ได้รับความสําเร็จไม่ได้รับความจำเริ่ขาดทุนอย่างย่อยยับคนกาเฟชไปน้องถ้าตรงไปข้ามกับกาเฟชก้อนหนึ่งเป็นมุมินอ่าเป็นมุมินเป็นไรจะเป็นมุสลิม เป็นมุหมินเเป็นมุตต์ตีนใะช่เป็นมุหมินก็หันมาเรียนศาสนาเรียนกุรานเรียนซุนานะนาบีแล้วก็เรียนอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลนี่เป็นเป็นมุหมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺอินี้ในตัฟซีนอธิบายดีนะค <c oughs> ำวา่าฮิซาบในคาพี Quran, กุรานอัลลอฮกล่าวกี่ครั้งรู้มสามสิบสามครั้งเออนะ่าคิดนะเลขคู่เลขคี่เลขคีขข่ แล้วนับสุบรานอัลลอฮ์เนี่ยวันแรกครั้งสามสิบสาครั้งใช่ไอัลฮัมดุลิลลาฮ์สาบสามครั้งอัลลอฮ์ก็บิสายสาสสามครั้งแต่ฮิซาบก็สาสิบสามครั้งเม Al illah, ง 33, 33งหงมือนกัน เ, เป็นอะไรทั้งอย่างหนึ่งเราไม่รู้นะแต่ขอบคุณอัลลอฮ์พราคนที่นับฮิซาบในคัมีร์อัลกุรอานมีไหมมีครับพี่น้องคนที่ไม่ได้รับความสําเร็จคนกาเฟ มีใครบ้างพี่น้องมีเยอะมากเลยขอยกตัวอย่างแค่สองคนก่อนนบีนัวกับนบีอะไรนบีนัวกับนบีลูดนบีนัวกับนบีลูดนบีเป็นคนดีใช่ไหมเป็นคนมุมินจะไม่ทํางานศาสนาใช่ไหมแต่ภรรยาของนบีนัวกับนบีลูดไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่อีมานต่อสามีไม่เชื่อสามียิ่งนบีนัวในพี่น้องครับ ตำหนิสามีตัวเองว่าเธอเนี่ยบ้าเธอบ้าอา๋อเฮงครับน บ, บีนวลนะภรรยาน บ, บีนวลตำหนิสามีตัวเองว่าบ้าแต่สมัยก่อนเนี่ยนะอยู่อยู่ด้วยกันได้มีปัญหาแต่สมัยนี้อยู่ไม่ได้นะถ้าสามีเอาศาสนาภรรยาไม่เอาศาสนาเตือนก่อนอบรมก่อนให้เวลาก่อนถ้าไปไม่ไหวจริงๆก็ทําไงตลา ถ้ามีลูกเองกับมีปัญหาเองพี่น้องอลัลลอฮ์เป็นภรรารกิจสังคมจะต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิด ช, ชอบกันต่อไปดะ <m ul 1> บีนัวถูกทดสอบจากอลัลลอฮ์หนักมากคช่ไพี่น้องอย่าลืมว่าบรรดา น, นับีถูกทดสอบจากอลัลลอฮ์หนักพวกเราก็ถูกทดสอบจากอลัลลอฮ์หนักแต่ทดสอบคนละอย่างละอย่างละอย่างละอย่ า, างนาบีนัวถูกทดสอบมาสอนอิสลามและคนในวันนั้นมีพระเจ้าในห้าองค์ ทีนับถืออยู่แล้วนะคู่กับ on, อาาัลลอฮ์นะห้าองค์มีอะไรบ้างวัดชื่อวัดบุญไม่ใช่วัดนี่นะวัดดุนชื่อคนนะวัดบุญสองสุวาอุนสามยาหุสสี่ยาอุกห้านัสูล น, นี่ชื่อพระเจ้าย่อยๆพระเจ้าจอมปลอมเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกูโบหมดเลยทั้งหมดนี่เป็นกูโบเหมือนโต๊ะตะเกียงนัแหละเหมือนโต้ะระยอเลย เหมือนต๊ลงนาที่คือแถวเนี่ยอ่อนนุษยเนี่ยโต๊ลงนา <c oughs> วันละฝนจะตกไปๆ ไ, ไปลงนาโต๊ะโต๊ะว่าไงในฝนจะตกมาอะไรรออาตุบาตทชิริษย์ยังแรงเลยไปเนาะนบีนวัวมาสอนศาสนาวันนั้นพี่น้องของท่านเองนะเคารพพระเจ้าย่อยๆกี่องค์5องค์ชื่ออะไรบ้างวัดดุลสุวอุนยาหุสยาอุนัสรุน รัวมาถึงภรรยาในบีนัวไม่ศรัทธาต่อในบีนัวไม่เชื่อในบีนัวและไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยภรรยาตมิสามีตัวเองว่าภาษาอุดูว่าดีว่านะ่ยบ้าภาษาตากบมาจนุน่นเธอเนี่ยมาจนุน่นบ้าไปแล้วอนี้เป็นต้นนั่นเองไหมภรรยาทาั้งทั้งที่อยู่บ้านหลังเดียวกับนบีนอนเตียงเดียวกันกับนบีกินอาหารหม้อเดียวกับนบี แต่ว่านบีช <faces> <me aning> ่วยพยาได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นถ้าไม่อีมานต่ออัลลอฮ์เองไปนรกถ้าอิมานเองไปสวรรค์คุรอ่านอันที่บาดงนี้ครับดอราบัลลอฮุมัสัลลิลลารีนากาฟารุมรออัตานุห์วะมรออัตลุตกาณาตาตัพตาบะดายนิมินไอบาดินาสาลัยินฟะฮานตาหุมะ ฟะด ي ายุคนิย์ عنهما من الله شيئا وقيل دخلنا رمادا ف, ف ي, ك ك د ي د ن นี่ ل ُّ آن ت ُ ر َ ت َ ح َ د ِ ي م ธิบายว่าพยานะครับอยู่กับคนดีแต่เป็นชาวนรกนะครับดูคุณอานนะดอบัลละอัลลอฮได้อุทาหรอนตั้งเป็นกรณีตัวอย่างว่าพยาของนบีนักับพยาของนบีลูเป็นคนกาเฟ อ๋อเห็นยังลออักบัตสงสารนบีนวลนะนวลเครียดน่ะเครียดมากเลยพรรยาไม่รับอิสลามอล๋ออักบัตและลูกชายอีกคนน่นอีกตาอุลามะอธิบายอ่านจากทัฟซี่ก็บอกว่านบีนวลนี่มีพรยามีสามีมาก่อนแล้วลูกที่ไม่อีมาเนี่ยไม่ใช่ลูกจากนบีนวะลูกจากสามีคนแรก อ่าอ้าวเบาไปนิดหนึน่งอ่าพี่น้องแล้วแกภรรยาของนบีลูกก็เหมือนกันพี่น้องไม่อิมานต่ออัลลอฮ์ทั้งๆที่อยู่ใต้คนดีเป็นเบาที่ซอแล้วทั้งสองสามีช่วยไม่ได้เห็นอย่างครับถ้าไม่มีอิมานต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะช่วยไม่ได้เลยรวมไปถึงคนรวยๆก็เหมือนกันวันนี้อัลลอฮ์สั่งกับนบีมุฮัมมัดสั่งพวกเราวันนี้เนี่ย เห็นคนกาเฟสเนี่ยก็ทำมาคามาค้าขายเจริญเก้าหน้าได้เงินได้ทองเยอะนี่นะอย่าไปหลงกลมานะอย่าไปคิดโอ้ยดีจริงๆเลยฉันจะเอารูปแบบนี้อย่ารูปแบบของคนกาเฟสก็คือมีเงินคนจะยกย่องให้เกียรติใช่ไหมคนจะยกย่องให้เกียรติคนมีสตังค์หมดเลยแต่อรรอบอกว่าอย่ายกย่องให้เกียรติคนมีตังค์อย่างเดียวไม่พอต้องยกย่องให้เกียรติคนจ่ายสกาด ถ้ามีเงินไม่จ่ายสกาดไม่ใช่คนดีฉะนั้นมุสลิมจะทํามาค้าขายอย่าทําตัวเป็นคนกาเฟตมีรีสกี้เยอะๆแล้วไม่จ่ายสกาดไม่จ่ายโซดาโก้ไม่จ่ายฮะดียาไม่ทําวากับอย่าเป็นคนแบบนั้นลายูรันนักะตะกอลุบุลละดีนักะฟารูฟิลบิเลตบาตาองคอลีนเนี่ยลอตเตือรอ์ยาเนี่ยอย่ามองคนกาเฟตที่ทํามาค้าขายได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วไม่จ่ายสกาด อย่าพูดว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ดีเหมือนกันนะ่ะมีความรู้เยอะแต่ไม่มีศาสนาดีปะ่ะถ้าดีมันจะฆ่ากันเลย อ, อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นต้องให้ใช้ปัญญานี้นิดนึงนะครับเป็น้องทังหลครับอ่ะทีนี้บังคับให้พรรยาอิมานต่อรอดได้ไหมไม่ได้ บรรดาบีเนี่ยจะบังคับให้พยาอีมานต่ออัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้ลูกบังคับบังคับให้ลูกอีมานต่ออัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้คนในครอบครัวอีมานต่ออัลลอฮ์ไม่ได้บังคับญาติพี่น้องบังคับคนใกล้ชิดบังคับคนในหมู่บ้านให้มีอีมานได้ั้ยไม่ได้ครับคนที่จะเปิดหัวใจให้เขามีอีมานหรือไม่มีอีมานใครอัลลอ์ Allah, องเดียวเท่านั้นเองคุณอ่านตรงไหนครับ ลาสต์จ <ir> ัลเยฮิมบิมุสัติรนบีไม่มีหน้าที่ไปบังคับวะ <at> มะอันตาเลยฮิมบิจับะอโลห์มุฮัมมัดไม่มีหน้าที่บังคับให้ใครมาเป็นมุมลินไม่ได้ท่านมีหน้าที่เรามีหน้าที่แต่ลูกเรานี่นะถ้าเป็นมุสลิมแล้วไม่นามาดอันนี้บังคับได้ไหมได้ถ้าลูกติดภรรยามายกตัวอย่าง ไปมีพยาคนที่สองคนกาเฟรตมารับอิสลามแต่ลูกเขาไม่รับเนี่ยบังคับได้ไหมไม่ได้พี่น้องจะไปบังคับเอา ม, มีดมาจ่อคอรับนะครับฆ่าได้ไหมไม่ได้แล้วมีหน้าที่อะไรสอนอบรมเตือนนะครับและมันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เปิดใจคนที่เราสอนสาศาสนานะครับไม่ก็มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์โอ้ดีไหมพี่น้องอิสลามนี่นะถูกใส่ร้ายว่า เผยแผ่ด้วยคมดาบจริงไหมจริงไม่จริงครับอายสุดท้ายนะวะกุรบิวะรหมวะอันตะไครุรหิมินวะกุรบิลวะกุรบิวะรหมวะอันตะไครุรหิมินอายานี้ดีมากเลยนะครับวะกุรบิ วาระหามว่าอันตะคอยรุ่งอรหิมีตุลแปว่าจงกล่าวจงขอดูอานั่นแหละรับบี้แปลว่าพระผู้อภิบาลของฉันข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยอิลฟิลอิลฟิลจงอะไรนะจงโปรดอภัยยโทษนี่ขอร้องเอร้องไม่ใช่บังคับนะจงอภัยโทษให้ฉันเขาไม่ใช่จง โปรดอภัยโทษวา่าประหัมโปรดประทานความเมตตาอภัยโทษกับเมตตาเนี่ยออกมาจากไหนครับออกมาจากบลาลังของอัลลอสุบฮานาฮูวะตาลาว่าอันตะคอยรุรอฮิมีนอันตะพระองค์ท่านคอยรุนบปรวเลิศดีเลิดอ ร, ร ين, ่อฮิมีนผู้เมตตาทั้งหลายอัลลอฮฺทรงเป็นเลิด แห่งผู้เมตตาทั้งหลายดีที่สุดอัลลอฮเป็นผู้เมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดีที่สุดไม่มีใครเท่าอัลลอฮสุภานาวั ว, วตาเลยคอณครับตั้งแต่อายะห์ที่หนะึ่งร้อยสิบห้านะนะอฟะหัซบะตุมอันนัมาขอลักนากุมอบสาว่าอันนากุมอีไลนาลาตูร์ยาน วَาَ ع ا ل ى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم หนึ่งไรซ์ด้สิบหก وما يدعوهما الله إ ل آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ر ب ِ إنه لا يفلح ا ل ك ا ف ر و ن สิบ ครบวรับบฟิรระมวอันทรฮมนอายานี้สี่อายานีนี่นะท่องให้จำมีอุลมามะหลายคนเอาอายานี้ไปไปอ่านเช่นเขาไม่สบายนานๆเขาไปอ่านที่หูเขาเนี่อาการมันดีขึออ้นนี่จากตับซิดมาซฮารีตับซิด กุตุบีนะครับสอายะเนี่ยนะเราท่องในจำจแต่นบีมุฮัมมัดีนสอนท่านอบูบกัตเมื่ออ่านสอายะนี้จบนบีบอกว่าอบูบากเอ๋ยเอาดูอานี้ไปท่องนะอัลลอฮุมอินนีลัมตุนับซีซุลมังกาซีรอฟาอินนฮูลายักฟิรุซน่บออิลลัอันตะฟากฟิรลีมาฟิรตัมิอินดิก วะระหัมนีอินนะกะอันตะระฟูรูระไฮเนื้อหาคล้ายๆกันผมก็อา่านอันนี้มาท่องท่องมันสิบปีแล้วเนี่ยอัลลอฮุมาอินนียสลมจุนัซีให้ว่าตัวนี้ครับก่อนให้สลามก่อนให้สลามถ้านมาหายคนเดียวนะอย่าเป็นอิหมามเพราะมันยาวอมอามืมอเอารอยอมามเป็นอะไรอา่านยาวจังนมาหมาคนเดียว นะครับอ่านอุบายยาวอ่านอายาดูอานี้ด้วยนะอัลลอฮุมะอินนีซาลัมตุนับซีซุลมังกาซีรอฟาอินน ahu ลายักฟิรุซโนบายนละอันตะฟากฟิรลีมากฟิรัดมินไอนดิกวรรหัมนีอินนักอันตะลักฟูรุรอห์ห์อัลลอฮ์ดูอานเขาแบบยัตุศัลลแล้วกับตเองว่าฉันเนี่ยซาเลมตัวของฉันเองฉันนี่ทำชั่ว ถ้อัลลอฮ์มาให้อาภาัยนะคนอื่นให้อาภัยไม่ได้อัลลอฮ์จะอาภายัยยาตัวแต่ข้าพเจ้าดีเถิดเพราะการอาภัยยทตอยู่ที่อัลลอฮ์อยู่ที่ Allah, ทบารมอัลลอฮ์ Allah, นั่นแหละประทานความเมตตาให้กับฉันด้วยเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สิทธิ์ผัดผู้ทรงให้อาภายัยผู้ทรงเมตตาทั้งหลายเพียง่านี้ครับบรรดาหนาบีที่มาทั้งหมดเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยอขอเล่าเรื่องชีวิตในบีนิดหนึ่งก่อนจะจบชีวิตนาบีเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งเขาเรียกว่าอามุลฮุน ปีแห่งความเศร้าสลดเสียใจอยู่ในฮะดิษนะครับมีอยู่ปีหนึ่งเป็นปีแห่งความเศร้าสลดเสียใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่ภรรยาในาบีวชายหญิงคอรีญาติที่ดูแลนบีเนี่ยเสียชีวิตนบีเสียใจไหมเสียใจแล้วก็อีกคนหนึ่งอบูตอเลฟผู้เป็นลุงคอยปกป้องคร่ประดาในปิยาญาญหลานฉันหลานานนะ่ะเสียชีวิตทั้งสองคนน่ย แล้วอีเรื่องหนึ่งนบีไปเผยแผ่ที่เมืองปออิฟมีบ้านอยู่สามหลังญาตินบีก็จะให้คนในสามหลังนอีมาแล้วเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นสนับสนุนในการเผยแผ่ศาสนาสมบ้านนี้ก็ไม่เอาดา่นานบีเหยังเหนื่อยไหมพยาเสียชีวิตก็เสียใจอยู่แล้วลุงเสียชีวิตก็เสียใจไปทํางานศาสนาที่เมืองปออิฟนะไปเดินนะ เราเข้าไปก็ถูกคว้างมาเลือดไหลเสียใจมากก็ะเดียวาอาบุลักษณอัลลอฮ์ตอบแทนรางวัลอะไรรู้ไหมน บ, บีอดทนนะขนาดมลายิก้ามายืนว่าให้ฉันเป็นมลายกาิก้าดูแลภูเขาให้ภูเขาสองลูกเดินชนเอาไหมค่อยๆเดินลงมาแล้วคนตรงนี้ตายหมดนะ่ะที่คว้างน บ, บีน่ะจะมีเอาเปไม่เอ า, าไม่เอาไม่เอ า, เอาให้อภยัยให้อภยัยให้อภยัอภยน บ, บีอดทนครับ เพราะความอดทนนี่แหละอัลลอฮฺจึงตอบแทนรางวัลรางวัลอะไรถึงไหมให้นบีอิสระกะเมรีรอชอัลลอฮฺอิสระเดินทางจากมาการไปเมืองเยรูซาเลม็มอัลอัคซอเนี่ยเราขึ้นข้างบนไปเข้าเฝ้าอนะัลลอฮฺเนี่ยไปรับรางวัลนาม า, มาแล้วก็ทัวบนชั้นฟ้าทั้งหมดเลยเห็นหมดเลยพอกลับลงมาลืมเลยไอ้ความวนะสามเรื่อง หนึ่งสามีภพยาตายลุงเสียชีวิตถูกขว้างถูกรังแกที่เมืองตออีฟเบาไปเลยไปเห็นขบนนั้นโอโลยุเยแยปบมบเลยที่เอาล่อให้เห็นปีแห่งความเสียใจแล้วก็น บ, บีอดทนไม่โวยวายเราก็เหมือนกันนะถูกอะไรอะไรบ้างถูกคนนั่นดาถูกตำหนิถูกใส่ร้า ย, ายโวยวายทำไมอดทนให้อภัยไปเถอะทำสองอย่างอดทนกับอะไรนะ ให้อาภายัยสวัติกับให้อาภายัยเดี๋ยวอัลลอฮจะตอบแทนตอบแทนบนดุญยาหรือไม่ตอบแทนในโลกอาคิรรอสองอย่างนะครับก็นี่นะเป็นความรู้นะคนที่เรียนกุนอ่านเนี่ยต้องย้ยนะต้องอดทนแล้วก็ต้องอะไรนะสบัติแล้วก็ต้องให้อาภายัยสามีภรรยาต้องบอกกันเตือนกันไม่ใช่บังคับกันนะอบรวมกันดีๆสรุปขอดุอายเยอะ อ่านบีเนี่ยเวลามีปัญหาจบด้วยขอดวอานะอัลลอฮฺจะช่วยหน่อยอัลลอหฺจะช่วยหนึ่งนบีมูซาก็ขอดวอาต่ฟาโรด่าดวงอาตํำหนิดวอาว่ามูซาให้นั่งขอดวอาไปเถอะดวอามันมีอะไรที่ไหนท่ามันจมน้ําเพราะไม่จบน้ไม่ใช่ดวงอาแะดวงอาของนบีมูซานะที่จมน้าในท้องทะเลฟาโรเสียชีวิตตายในน้ําเนี่ยเพราะดวอาของท่านนบีมูซาอเลย์ิสลาห์ไตั้งกับ นำมาจานะเราอ่านกูอานสบายยกับอัลล์เยอะๆนี่เดือนชนะชบานอย่าอย่าถือบวชเฉพาะวันที่15บาบานอย่างเดียวมันต้องถือตลอดหลายๆวันนะครับหวัน6วันเจวันแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าฮะดิษที่ทำะดษเกหมดเลยนะครับุาพนะก็รอหุาว่าไปห้ามดีกวอัลลอฮฺอัลลออลฮออัออลอัลอลัลลอฮฮ